บทภาชณี 87. ดินภิกษุสําคัญว่าเป็นดินขุดหรือใช้ให้ขุดทําลายรหายารือใช้ให้ทําลายเผาหรือใช้ให้เผาต้องอบัติปาจิตตีดินภิกษุไม่แน่ใจขุดหรือใช้ให้ขุดทําลายหรือใช้ให้ทําลายเผาหรือใช้ให้เผาต้องอบัติทุกกฏดินภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ดินขุดหรือใช้ให้ขุดทําลายหรือใช้ให้ทําลายเผาหรือใช้ให้เผาไม่ต้องอบัติไม่ใช่ดิน ภิกษุสาคัญว่าเป็นดินต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ดินภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ดินภิกษุสาคัญว่าไม่ใช่ดินไม่ต้องอบัต